6. สุราปานวัตห 5. พิงสาปานสิกขาบทว่าด้วยการทำให้ตกใจเรื่องพระชัพะคี345สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสูจน์ฉัพะคีทำให้พวกพิสูจน์สัตตะรสาวคีตกใจพวกพิสูจน์เหล่านั้นถูกทำให้ตกใจจึงร้องไห้ ภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านร้องให้ทําไมพวกภิกษุสัตตะรัสวคีตอบว่าพวกภิกษุฉะพะคีทําให้พวกผมตกใจขอรับบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามพลท น, นาว่าฉนัยพวกภิกษุฉะพะคีจึงทําให้ภิกษุตกใจเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิพวกภิกษุฉะพะคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ